เพิ่งพากันตั้งใจตั้งใจให้ดีใจมันจะดีได้ก็เพราะการตั้งบ่อยๆคำว่าการตั้งใจนี่หมายถึงกำหนดรู้ใจของตัวเองนะั่นะ ใจตั้งอยู่ตรงไหนอ่ะตั้งอยู่ในความรู้สึกอันนั้นเลยนั่นแหละเรียกว่าสติเข้าไปรู้ไปรู้จักความรู้สึกอันนั้นหรือว่าไปควบคุมความรู้สึกอันนั้นอย่าให้มันคิดสงสัยไปทั้งอื่นความว่าตั้งใจนี่นะมีความหมายอย่างนั้น ถ้าถ้าไม่ตั้งใจอย่างนี้เราจิตมันก็ชอบคิดสงสัยไปมาต่างๆถ้ามีสติควบคุมจิตนี้ได้แล้วมันก็เป็นอันว่าควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายนี่ได้ ท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างบุคคลที่จับตัดหกชนิดเอาเชือกมัดขามันตัวละเส้นละเส้นหกตัวก็หกเส้นในวันนี้ก็รวมเชือกหกเส้นเข้าใส่กัน แล้วไปผูกติดหลักไว้ให้แน่นหนาบรรดาสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่ยอมหยุดนิ่งถ้าตัวที่มันมีปีกมันก็ทะยานจะบินไปแต่ว่าเชือกมันเหนี่ยวไว้ไปไม่ได้ตัวมันมีไม่มีปีกมีแต่ขามันก็ กระโดดจะวิ่งหนีมันก็ไปไม่ได้เพราะเชือกมันรัดเอาไว้สัตว์เหล่านั้นมันก็ดิ้นไปดิ้นมาเมื่อมันหมดกำลังแล้วมันก็มารวมกันอยู่ที่หลักอันเดียวนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคล เป็นผู้มีสติมาควบคุมจิตนิไว้ให้มัน่นแล้วเช่นนี้จิตนี้มันก็ไม่ได้ดิ้นไปตามตาตามหูตามจมกูกตามลิ้นตามกายนั่นแหละมันก็หยุดนิ่งอยู่ที่เดิมในเมื่อเรามีสติ คอยควบคุมจิตนี่อยู่เสมอไปเลยจิตนี่มันอ่อนกําลังลงแล้วมันก็ไม่ไปไหนแบบนี้มันก็หยุดอยู่ที่เดิมเลยเหมือนยังสัตว์หกชนิดอย่างที่ว่านั้นน่ะดินพอแรงแล้วมันไปไม่ได้แล้วก็หมดกําลังก็มารวมกันอยู่ที่หลักอันเดียวนั้น อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเอาสติเข้าไปเพ่งจิตควบคุมจิตไว้ภายในเมื่อจิตนี่มันถูกกิเลสรบกวนเอามันก็ดิน้นหอดิน้นสติก็คุมไว้ไม่ให้มันเลื่อนลอยไปมันดิ้นมาทีไรก็สติก็คุมไว้เตือนไว้ ไม่ให้มันคิดส่งสายไปไกลเราคุมไวม้อย่างนี้ยนานเข้าก็อย่างว่านั่นเนี่ยสติมันแก่กล้าเข้าไปมันก็คุมจิตได้จิตก็หยุดคิดหยุดส่ไปใสามาสติเปียกบวะมาเหมือนเชือกมั่นเน่ย เพื่อเข้าสตินั้นเข้าไปผูกมัดจิตไว้กับหลักคือคือสมาธิหลักนั้นเปรียบได้กับสมาธิ น, นียเอาสติผูกจิตไว้กับสมาธินั้นเมื่อทำได้อย่างนี้จิตมันก็ไม่พุ่งไปทางอื่นมันก็สงบเป็นหนึ่งอยู่ภายใน หายใจเข้าก็รู้ว่าจิตเป็นหนึ่งหายใจออกก็รู้ว่าจิตเป็นหนึ่งนี่ทำความรู้กับจิตนี่อยู่อย่างนั้นทำความรู้กับจิตแล้วก็รู้กายด้วยอนรมหายใจเข้าหายใจออกนั่นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอย่าไปเข้าใจว่า จะไม่รู้แจ้งในกายกายอันนี้ถ้าขาดธาตุลมนี้แล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกสลายออกจากกันนะเนี่ยแต่ธาตุลมนี้มันก็ไม่เที่ยงไปไปแล้วมันก็แปรปวนไปพักหนึ่งอย่างนี้เดเมื่อลมนี่มันเดินไม่สะดวกผิดปกติแล้ว ก็วินเวียนสีสะหน้ามืดตาลายอ่อนเพลียและเหี่ยใจนี่เรียกว่าธาตุลมวันวิบัติเมื่อเพ่งลมหายใจเข้าออกเห็นแจ้งในธาตุลมว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ตื่นเต้นในวันไวในเมื่อลมวันวิบัติลง เช่นอย่างว่าคนเป็นลมอย่างนี้นะถ้าผู้ไม่ได้พิจารณากองลมนี้ให้ที่ทวนแล้วก็ตกใจแล้วกลัวตายแล้วเอ๊ะเรานี่เห็นจะต้องตายมึ่งเนี่ย ล, ลมหายใจมันติดขัดอะ่ะมันเดินไม่สะดวกอะ่ะก็เลยสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายถ้าได้เพ่ง พิจารณาดูลมหายใจเข้าออกนี่เออชีวิตนี่มันเนื่องอยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกเท่านี้เนอเมื่อลมหายใจเข้าออกนี่มันวิบัติมันขัดข้องแล้วมันก็ใกล้ต่อความตายนั้นเองเออไม่มีอะไรชีวิตนี่ไม่ใช่เป็นของที่ควรจะไว้ใจได้ ไม่ทราบ่าลมหายใจนี่มันจะหยุดลงเมื่อใดไม่มีใครมาบอกล่วงหน้าเลยดังนั้นเราจึงเพ่งทำความรู้เท่าไว้ขั้นเผื่อว่าลมหายใจนี่มันเกิดวิบัติขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะไม่ตื่นเต้นจะไม่สะดุ้งหวากลัวเพราะว่ามองเห็นแล้วว่า ลมหายใจก็ไม่ใช่ของเราเป็นธาตุลมต่างหากวิญญาณที่รู้ลมหายใจเข้าออกเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของเราอีกเหมือนกันมันก็เป็นธาตุรู้เฉยๆนี่มันแตกก็แตกไปดับก็ดับไปก็ไม่ใช่เราแตกเราดับนะ น, น, เ, นเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้มันก็ไม่เสียใจไม่ดีใจมันก็วางจิตเป็นกลางลงได้นี่สำคัญนะให้พากันภาวนาพิจารณาดีๆเมื่อเรารวมจิตได้อย่างนั้นใจกล้าหาญไม่วันไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของชีวิตนั่นแสดงว่า บุญกุศลคุณพระรัตนไกลก็มารวมกันอยู่ที่จิตนั้นหมดเลยไม่จําเป็นต้องไปนึกถึงก็ได้พอเรารู้อยู่นี้รู้อยู่ว่าบุญคุณทั้งหลายย่อมมีอยู่ที่จิตที่ตั้งมั่นอยู่นี้ถ้าไม่มีอยู่ในนี้แล้วจิตจะตั้งมั่นไม่ได้เลยอถ้าทําจิตให้ตั้งมั่นได้ก็แสดงว่า บุญคุณอันประเสริฐนั้นมีอยู่ในจิตนี้ดังนั้นจึงไม่จาเป็นต้องไปอ้อนวอนถึงคุณพระพุทธประธรรมประสงค์อ้อนวอนถึงบุญถึงกุศลอะไรขอให้มาช่วยชีวิตของข้าพเจ้าไว้อย่าให้ล้มให้ตายอะไรววก น, นี้อย่าไม่ต้องไปอธิษฐานอ้อนวอนหรอก <c oughs> แต่ถ้าหากว่าใจมัน พุ่งซ่านเลื่อนลอยระงับไม่อยู่อย่างนี้เออสมควรอธิษฐานถึงจแท้เพราะว่าในขนาดเช่นนั้นสแสดงว่ากำลังใจอ่อนแอสู้กับมานคือกิเลสไม่ได้เวลาอย่างนั้นเราต้องนึกอธิษฐานใจถึงคุณแก้วสามประการอธิษฐานใจถึงบุญกุศล ที่ตนได้กระทําบําเพ็ญมาอหากมีจริงก็ขอให้มาบังเกิดขึ้นในดวงจิตของข้าพเจ้าเป็นกําลังใจขอให้ใจของข้าพเจ้าเข้มแข็งอย่าได้ย่อท้อต่อมานคือกิเลสที่มันคุกคามอยู่ในขณะนี้อถ้าเราอาธิษฐานใจถึงบุญถึงคุณอย่างนี้ถ้าบุญคุณ มีจริงคือมีอยู่ในใจเราได้เข้ารบกราบไหวบูชามาจริงบุญกุศลเราก็ได้ทำมาจริงอย่างนี้ก็จะปรากฏขึ้นในจิตในขณะนั้นนะรู้สึกว่าจิตใจอบอุ่นขึ้นมาเข้มแข็งขึ้นกล้าหาญที่จะต่อสู้กับมันคือกิเลสได้แก่ความรักความชังความกลัวต่างๆหมูนั่นนะ ถ้าหาว่าเราฝึกใจนี้ให้ตั้งมั่นลงได้แล้วก็ไม่ต้องไปอธิษฐานอย่างนั้นเลยแสดงว่าบุญคุณมีอยู่ในจิตนี้แล้วเพียงแต่ประคองจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําสั่งสอนให้พุทธบริษัท พยายามฝึกฝนอบรมจิตของตนเกิดเพราะเหตุผลดังแสดงมานั้นเนี่ยรวมเรียกเรียกว่าเราไม่สามารถจะบังคับจิตใจตัวเองได้โดยลำพังโดยไม่ได้รับอุบายจากคำสอนของพพุทธเจ้าเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะมาสอนจิตของตัวเอง ไม่มีปัญญาที่จะบังคับจิตตัวเองพอจิตบันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสมาแล้วหลายชาติหลายภพทีเดียว<ม>ดังนั้นเราจึงได้มาอาศัยคุณพระรัตนกรัยนี่แหละว่าเป็นที่พึ่งอันประเสรศิฐเราจึงได้กราบไหว้กล่าวสรรเสริญด้วยวาจาอยู่เสมอเสมอนั่นแหละ ก็เพื่อเราจะได้เพราะคุณพระรัตนกลายนี้ให้เกิดขึ้นในดวงจิตของเราแล้วมันนึกมันคิดมันกล่าววาจาสนเสริญบ่อยๆเนี่ยเพราะคุณเหล่านี้มันก็ซึมทราบเข้าสู่จิตใจได้เป็นอย่างนั้นนี่สำหรับผู้มีอินทรีย์อ่อนอยู่นี่มันจำเป็นนะจำเป็นต้องได้ทำข้อวัดปฏิบัติ ดั่งกล่าวมานี้ถ้าท่านผู้มีอินทรี์บารมีแก่กล้าแล้วท่านก็ไปฝึกเอาแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นก็หลุดพ้นไปได้ก็มีอยู่ท้อไปเห็นไหฝึกอะไรเพียงเดีวฟังธรรมกันเดียวจบรองเท้าก็บรรลุมรผลได้แล้วอย่างนี้นะนั่นแสดงว่าท่านได้ฝึกตนมาแต่ชาติก่อนนนท์มากแล้ว เรื่องมันนะฝึกจนจนว่าใจตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณอย่างเต็มที่เลยเช่นนั้นพอเกิดมาชาตินี้บุญคุณนั้นมันก็ติดตามมาพอมาได้พบพุทธศาสนาเข้าได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าแนละ้วก็ยิ่งเลื่อมใสใหญ่เลยแบบนี้นะเพราะว่า ทุนของเก่าเนานะมันมาสมทบกับของใหม่เนี่ยมันเลยมีกำลังขึ้นแะควก็ความเชื่อที่มีมาแต่ก่อนนั่นะมันเป็นทุนเนะนี่ยโนนให้เกิดความเชื่อในบุญในคุณนี่ในชาติปัจจุบันนี้อย่างี้นะดังนั้นคนเรามันถึงไม่เหมือนกันแหละพูดถึงความเชื่อความเลื่อมใสนี่นะ ผู้ที่มีความเชื่อความเริ่มใสเรืเๆน้อยๆมาแต่ก่อนนู้นนะความเชื่อไม่มากอพอเกิดมาชาตินี้ความเชื่อที่มีมาแต่ก่อนมันก็อ่อนกำลังนะไม่สามารถที่จะโดนจิตนี้ให้เกิดความเชื่ออย่างแรงกล้าขึ้นได้ในปัจจุบันนี้นะเช่นอย่างว่าเป็นคารืหัสเช่นนี้นะ เพียงแต่ว่ามีความเชื่อในการให้การบริจาคทานด้วยวัตถุเข้าของเงินทองแล้วก็มีศรัทธารักษาสินห้าได้นี่สำหรับผู้มีบุญนะแต่ไม่มีศรัทธาที่จะรักษาสินแปดหรือสินอุโบสถได้ืี่เนี่ยบางคนก็มีศรัทธา เพียงแค่กินกินาทานานไปตามประเพณีไม่มีศรัทธาที่จะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ก็เพราะว่าต่ชาติก่อนน้นก็มีศรัทธาเชื่อในศีล น, นี่น้อยไปศีล น, นั่นมีบ้างไม่มีบ้างอย่างนี้แหละพอมาชาตินี้มันก็เหมือนกันมันก็ ไปตามกันนั่นี่ยพอมาชาตินี้ก็มีศีลบ้างไม่มีศีลบ้างเอา้าเมื่อระลึกได้ก็สํารวมกายวาจ้าไปเมื่อระลึกไม่ได้แล้วก็ไม่สํารวมเนี่ยทาบาปไปพูดในสิ่งที่เป็นโทษเป็นบาปไปก็เป็นไปอยู่เนี่ยสําหรับบุคคลผู้มีความเพียร น, น้อยมีความพยายามน้อยมีความเชื่ออ่อนแอ แถมมานั่งภาวนาสมาธิจเจริญปัญญาอย่างนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยคนมีความเชื่ออ่อนแอไม่กล้าหารที่จะทำเพราะฉะนั้นการไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาอย่างว่านี่มันถึงมีจำนวนน้อยพุทธบริษัทในโลกอันนี้นะในโลกปัจจุบันนี่มันมีน้อย ไอ้พู้ที่ไม่มีศรัทธาไม่กล้าหารที่จะไหวพระนั่งสมาธิภาวนาอย่างว่านี่มีเป็นจำนวนมากเลยในโลกอันนี้ดังนั้นมนุษย์เรามันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้มันจึงหลั่งไหลมาเกิดกันในโลกนี้มากขึ้นมากขึ้นเกิดมาแล้วก็มาเบียดเบียนซึ่งกันและกัน รบลาข้าฟันกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะคนเราถ้าหากว่าไม่มีบุญไม่มีคุณเป็นที่พึ่งทางใจอยู่นี่แล้วความโลภโกรธหลงความอิจฉาพยาบาทกิเลส ช, ชาติต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในหัวใจนี่เหตุดังนั้นคนเรามันถึงได้เบียดเบียนกันนะเพราะอาศัยกิเลสนี้แหละ ดังนั้นให้พากันพิจารณาให้เห็นทอดของกิเลสเหล่านี้อย่าไปสะสมมันทำความเชื่อเริ่อมใสในบุญในคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อเราได้บุญคุณนั้นเป็นที่พึ่งทางใจอยู่แล้วบาปมันก็แทรกแซงเข้ามาไม่ได้ ทีนั้นเราก็มีโอกาสเจริญสมาธิเจริญปัญญาต่อไปได้แบบนี้พออาศัยบุญคุณแต่ชาติก่อนบ้างเราบำเพ็ญเอาในชาตินี้บ้างนี่นะมาเป็นกำลังใจทำให้ใจหนักแน่นพอใจหนักแน่นเป็นรุนอยู่นะนะั้นแล้วเพ่งสติเข้าไป ประคองจิตอันนั้นไว้จิตมันก็ยิ่งสงบละเอียดเข้าไปแล้วแบบนี้นะอแต่ก่อนนั้นมันก็ตั้งมั่นสงบอยู่อย่างมีความรู้สึกยำหยาบอยู่นั่นไม่ละเอียดหรอกต่อเมื่อน้อมสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปจ้องอยู่แต่ความรู้อันเดียวนั้นอย่างนี้นะความรู้คือจิตนั่น มันถูกสติเข้าไปครอบครองเข้าไปควบคุมเข้าไปกิเลสมันก็มาชวนจิตให้คิดฟุ้งซ่านไปทางอื่นไม่ได้อกิเลส ท, ที่ซ่อนตัวอยู่ในใจนั้นนะเมื่ออํานาจสมาธิมันทับถมเข้าไปอํานาจสมาธิมันมีกําลังกล้ากิเลสตัวนั้นก็ตั้งอยู่ในจิตไม่ได้ ก็ต้องดิ้นออกไปดิ้นอย่างไรจิตก็ไม่หวนไว้ไปตามแบบนี้เพราะมันตั้งมั่นลงแล้วมันจึงแสดงกิริยาอาการหลอกหลอนแบบนี้นถ้าเป็นเรื่องของความโกรธอย่างนี้มันฝังอยู่ในใจนั่นพอมันแสดงฤทธิ์ออกไปมันก็แสดงรูปภาพที่น่าเกลียดหน้ากลัวให้เห็นเลยอืม ถ้าเป็นกิเลสที่เกี่ยวกับเรื่องความรักความใคร่มันแสดงฤทธิ์ออกไปอย่างนี้มันก็แสดงรูปภาพสวยงามแสดงเสียงไพเราะเพราะพิ้งมากให้ได้เห็นให้ได้ยินอย่างนี้นะหลอกล่อจิตให้เกิดความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงอันนั้น เมื่อจิตนี่ไม่รู้เท่าก็หลงรักหลงใคร่ไปตามรูปตามเสียงอันนั้นเ น, นี่บัดนี้มันไปนอย่างนั้นเรืองมันนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปจึงว่ามีแต่ล้มเหลยวไปตามกิเลสตัณหาจึงเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ทนทรมาน ทำการทำงานหาเงินหาทองหาลาภหายยศไปตามกระแสของโลกเรื่งนั้นเนี่ยในวันนี้สำหรับผู้ที่มา น, นั่งภาวนาทำใจสงบเราเพ่งพิจารณาดูการกระทำของตัวเองที่ล่วงมาแล้วก็ดีมองดูผู้อื่นที่ลงมือกระทำอยู่นั่นก็ดี ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยเมื่อมองด้วยปัญญาเข้าไปแล้วทำไมจังว่าอย่างนั้นอา้าวเวงหาแสนทุกแสนยากได้มาแล้วมันเก็ะวิบัติส ม, มรุดทุดโทมแตกลับทำลายไปอย่างนี้แหละได้มาแล้วก็ใช้ไปบริโภคไปก็หมดไป ไม่มีอะไรจะยั่งยืนอยู่ได้เลยเรามีซ้ากรรมเวรแต่หนหลังมันมีมันตามมาสนองเอาบันดาลให้โจรให้ขโมยมาลักมาจี้มาปล้นเอาไปมีเสีงบกบ็บันดาลให้ไฟไหม้บันดาลให้น้ำท่วมเสียหายหมดซึ่งปรากฏมีอยู่ในโลกนีเป็นระยะทีระยะมาเลยอ่ะ เนี่ยลักษณะของกรรมเวรของมนุษย์เราอ่ะมันสร้างกรรมสร้างเวรมาอ้าวสร้างกรรมเวรไม่กี่คนอย่างนี้อกรรมเวรนนั้นมันก็จะโดนบันดาลไอ้คนทั้งหมู่มากนั่นได้รับความลำบากด้วยเหลือก็อเมื่อเมื่อมาต่างคนต่างทํากรรมทําเวรอันชั่วร้ายมามากมากนี่ มันรวมหัวกันทำความชั่วมามากๆอย่างในตำราท่านกล่าวว่าโจนห้าร้อจนหนึ่งพันคนอย่างนี้นะนั่นแหละก็มันรวมหัวกันทำความชั่วมากๆนี่เนะเวลาผลมันนำโดยให้มันก็ได้รับความทุกข์กันเป็นจำนวนมากๆไปเลยที่คำเวรไม่มีมาก เล่นอย่างประเทศไทยของเราอย่างนี้นะถึงว่าน้าท่วมมันก็ไม่มากคนก็ตายไม่หลายอย่างนี้แหละถึงว่าแผ่นดินไหวอย่างนี้มันก็ ไ, ไหวไม่แรงความเสียหายในทรัพย์สมบัติก็ไม่มากแต่ลองฟังข่าวดูบางประเทศสิคาว่าน้าท่วมก็ท่วมเอาซะจริงๆนะ พัดพาเอาว้านเรือนเสียหายไปเป็นพันๆหมื่นๆ ห, หลังนน่นพัดเอาสัตว์สวาสิงจมน้ำตายไปกันเยอะแยะนาไม่ท้ำคนก็ทานกระแสน้ำไม่ได้กระแสน้ำมันพัดพาตกไปทะเลนู่นตายกันเยอะเลยทีเดียวนั่นโมนี่มันเราก็คงได้ยินได้ฟังกันมานะถึงไม่ได้เห็นด้วยตาก็ได้ยินได้ฟังกันมานะ นี่จะว่าเกิดจากธรรมชาติอย่างเดียวไม่ได้เกิดจากกรรมเวรของคนหรอกอย่างนี้ใครจะไปยืนยันได้ล่ะนั่นเลยกรรมเวรของคนมันมีดังแกยกตัวอย่างให้ฟังมาเหมือนอย่างวิทูลทพักกุ ม, มารที่เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปเสนทิโกสนนั่น มิถนทภาเนี่เป็นลูกนางทาสีของพระเจ้ามหานามกุงกบิลละพัทพระเจ้ามหานามได้ประทานลูกสาวที่เกิดจากทาสีอยู่ในพระราชวังนั่นนะหมายความว่าท้ามานามนี่ไปสมสู่กับทาสีแล้วได้ลูกสาวมาคนหนึ่งชื่อว่าวาสะนี่แหละ เมื่อพระเจ้าเปเสทีโกศล ส, สู่ขอมาเป็นมเหสีอยู่มาก็ได้พระราช ก, กุมารองค์หนึ่งชื่อนมามววิทุนทพะเนี่ยเจริญรายใหญ่โตมาก็ขออนุญาตพระราชบิดาไปเยี่ยมเมืองของพระราชมารดาเมืองกบินละพัฒน์เ่อก็ยกโยธาหารไป พอไปถึงกบินลพัดแล้วทางเจ้าเจ้าเหล่านั้นถือว่าเป็นลูกทาสีมาเยี่ยมก็เลยแต่งให้ตั้งแต่ชาวบ้านธรรมดานี่แหละแต่คนหนุ่มคนน้อยเนะี่ยมาต้อนรับเอาคนแก่คนเชื่อสายกษัตริย์ไม่มาต้อนรับอพอพิทูลพะอยู่ในกรุงกบินลพัดนั้นพอสมควรแล้วก็ ลากลับเมืองสัทีเพราะขณะที่พวกพิธุนภพยกออกจากอาคารที่จัดต้อนรับนั่นไปพวกคนใช้เหล่านั้นก็ถูกเจ้านายสั่งให้เอาน้ำนมวัวนมควายนี่นะมันล้างพื้นกระดานที่พวกนั้นนั่งนั่งนอนนอ น, น, อ, นอยู่นั้นมันเป็นอย่างไงนะไอก ขัตติยมานะนี่ถือว่ากเป็นลูกนางทาสีอย่างนั้นแล้วเป็นเสนียดกะนเลยให้เอาน้านมมาล้างเสียด น, นั้นออกไปบางเออ ท, ทหารคนหนึ่งเดินไปหน่อยหนึ่งแล้วนึกได้ว่าลืมรองเท้าก็วิ่งกลับมามาเอารองเท้าจึงมาได้ยินเสียงคนใช้เหล่านั้นบ่นอยู่ว่า มันเป็นเพราะลูกนางทาสีนี่แหละมาเยี่ยมพวกเราพวกเราถึงได้ลำบากอย่างนี้ว่ในี้ทหารคนนั้นมันก็พาซื้อจำเอาคำพูดทางทาสีแล้วก็ไปวิจารให้หมูฟังเออเจ้ามงกุฎราชกุมารของพวกเรานี่เป็นลูกนางทาสีอะอย่างนี้นะ เมื it, ่อทหารได้ยินหลายคนเขาก็าไปทูลให้เจ้าวิทูลทัพพะได้ฟังวิทูลทัพพะได้ฟังอย่างนั้นก็ผูกอาคาตเลยเออคราวนี้เขาเอาน้านมล้างที่นั่งที่นอนของเราเราเรากลับมาคราวหน้าเราจะเอาเลือดอยู่ในลําคอของพวกศัตกรยราชเหล่านี้เน่ล้างกระดานที่เรานั่งเรานอ น, อน พอได้โอกาสก็ยกทัพมาพระพุทธเจ้ารู้เข้าก็เสด็จไปห้ามถึงสามครั้งพอครั้งที่สี่นี่พระองค์พิจารณาเห็นว่าคนเหล่านี้มันมีกรรมมีเวรหมายเอาภัยญายติสวงของพระองค์งนั่นเลงแต่ชาติก่อนได้พากันเอายาพิษไปเบื่อปลาในหนองน้ำปลาตายทั้งโคดเลยพระองค์จึงไม่ได้ สเสด็ดไปห้ามปรามเลยแบบนี้เพราะว่ากรรมของสัตว์จะห้ามอย่างไีมันก็ไม่ฟังเมื่อมาถึงเวลามาแล้ววิชุนทพาก็ยกทหารไปแต่ว่าพวกสกยรัลาชเหล่านั้นทั้งตำรวจทั้งทหารเพื่อนรักษาศีลห้าหมดนายท ห, หารเมื่อได้ทราบข่าวว่าวิชุนภพยกกองทหารจะมารบ ก็เรียกทหารมายืนแถวแล้วก็สั่งสอนว่านี่ว่าพวกเรานั้นนักษาจินห้าไม่สมควรที่จะไปรบราค่าฟันกับศัตรูเลยเพราะฉะนั้นพวกเราก็เมื่อเขายกขบวนมาเราก็ยิงไป เฉยๆจะให้ถูกเขาว่าไงเสร็จแล้วเราก็ทิ้งอาวุธแล้วแต่เขาจะทํายังไงทหารได้ฟังคาสั่งของแม่ทัพอย่างนั้นแล้วก็ทําตามนั้นเลยยิงกันไปนิดหน่อยแล้วก็ทิ้งอาวุธเลยทหารวิทุนรัพระก็กลูกรกันเข้าในเมืองไปไปถามทัก ถ, ถามว่า ท่านเป็นสักกรราชหรอือถ้าผูใ้ใดมีกรรมเวรที่ได้ทํามาแต่ก่อนนะก็บอกว่าเออเราเป็นสักกรราชเขาก็ตัดคอเลยอจะเป็นตํารวจทหารหรือประชาชนธรรมดาก็ตามแต่กรรมเวรมีแล้วมันักบรรดาลบอกเขาเลยอถ้าผูใ้ใดไม่ได้ทํากรรมเวรไม่ได้เบื่อปลามาเมตชติก่อนอย่างว่านั้นเมื่อเขาถาม เป็นสักกายาล่หรือไม่ไม่ได้เป็นหรือมิฉะนั้นถ้าแบกฟืนอยู่เกาะกาลังแบกฟืนไปหูงต้มเท่านั้นก็ผ่านไปได้เลยเขาก็ไม่ฆ่าอื ม, มาหนี้เมื่อทหารเราท่านไปตามฆ่าคนมีกรรมมีเวรเราท่านตายลงไปหมดแล้วก็พากัน ออกไปนอกเมืองอไปจัดเลี้ยงอาหารกันอยู่นอกเมืองวันนี้พอทานอาหารอะไรกันเสร็จแล้วอแม่น้ําโลหินีอันเป็นแม่น้ําที่กั้นแดนระหว่างเทวทหานครกับกรุงกรุมภมลิพัทต่อกันหน้านั้นของจะเป็นหน้าแรงน้ําแห้งลงไปแล้วก็เป็นหาดทรายขาวสะอาด แล้วก็ยกขบวนกันไปพักนอนอยู่บนหาดทรายนึน้นไอ้พวกใดที่มีกรรมมีเวรก็ยินดีอยู่ในนอนอยู่หาดทรายนัน้นผู้ใดไม่มีกรรมมีเวรอย่างนั้นก็บรดาให้มีมดมาไต่มาต้อมาอมากัดอยู่ไม่ได้กะต้องขึ้นไปนอนอยู่บนบกนู่นไอ้พวกอยู่บนบกมีกรรมมีเวรอย่างนั้นติดตามมา ก็เนี้ยบรรดาให้มีมดแมงไส้ตอมกัดอย่างว่านะอยู่ไม่ได้ก็ลงมานอนอยู่บนกองทรายพี่ไงกรรมมันจัดสรรเ น, นีนั่นเองพอนอนหลับไปไม่ทราบว่าน้ำอะไรมันไหลหลากมาหนาหน้าแดงเป็นของหน้าอัศจรรย์ทั่วมเอาพิทูลภักกับบริวารที่นอนอยู่บนหาดทรายนั่ะ พัดพาไหลลงไปเลยตายกันหมดเลยพวกนั้นพวกนอนอยู่วนบกไม่ตายพวกนั้นไม่มีกรรมไม่มีเวรแต่หนนหลังตามมาสนองเอาจึงรอดชีวิตไปได้อันนี้ทันใดก็อย่างนั้นเลย <c oughs> คนเราเกิดมาแต่ละชาติที่มัน เกิดความวิบัติอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะก็เพราะมันมีกรรมมีเวรที่ไดตนได้ทำออกมาแต่ชาติก่อนนู่นมันติดตามมาให้ผลนี่ถ้าเทียบกับอดีตประวัติของคนแต่ครัง้งพระพุทธเจ้าดูแล้วนะอย่างนี้เลยมันก็เนื่องมาแต่กรรมตะเวนของคนเหล่านั้นได้ทำมาแต่ก่อนมันพร้อมใจกันทำมาเป็นจำนวนมาก อย่างเช่นทำสงครามกันอย่างนี้นะาบางยุคบางสมัยเนะ่ยประเทศในนี้มันมีอํานาจมากอย่างนี้เป็นประเทศใหญ่ด้วยแล้วเห็นประเทศเล็กประเทศน้อยนั้นว่าไม่มีอํานาจก็ยกกองทัพไปไปรบไปยึดเอาเมืองของเขาประเทศเขาฆ่าคนของเขาตายมากมาย อย่างนี้นะยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อเวลากรรมมันตามสนองออกมันก็สนองเป็นหมู่ไปเลยตายหมู่ไปเลยน้ำท่วมก็ตายหมู่ไฟไหม้ก็ตายหมู่แ่นดินไหวก็ตายหมู่อย่างนี้แหละอย่างนั้นเนะ่ะความที่ไม่ฝึกขนอบรมจิตใจ ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลคุณความดีเนี่ยมันมีพิษปีภัยต่อตัวเองจริงๆแล้ว่ากิเลสเนี่ยมันมีพิษยิ่งกว่าพิษงูพิษเสื อ, อมันมีพิษจริงๆดังนั้นทุกคนนะอย่าไปส่งเสริมกิเลสให้มันหนาแน่นขึ้นในใจมันนั่งสมาธิภาวนา ทำจิตให้สงบเพียรทำจิตที่ฟุ้งซ่านเรื่องลอยสงบให้ได้นี่แหละเป็นบทบาทเบื้องต้นที่จะกาจัดกิเลสบาปทมออกจากจิตนี้ได้นะเป็นบทบาทเบื้องต้นเลยขั้นต่อไปก็ถึงขั้นปัญญาอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆนั่นนะอย่ะจะพากันนิ่งนอนใจ ไม่ใช่นั้นแล้วคนเรานี่ก็จะต้องในประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เนี่ยชาติแล้วก็ชาติเล่าอยู่อย่างนี้พ้นจากความทุกข์ในสงสารอันนี้ไปไม่ได้เลยหรือว่าใครเห็นว่าไม่เป็นทุกข์การเกิดมาเป็นคนในโลกอันนี้นะลองพิสูจน์ดูริงโย่บุคคลพวกยังหนุ่มยังแน่น ก็อาจจะมองไม่เห็นทุกข์ก็ได้แต่บางคนมีกรรมมีเวรติดตามมาถึงแม้จะมีอายุยังอยู่ในเยาว์วัยวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนก็จริงแตม่มันมีกรรมมีเวรติดตามมาร่างกายก็ไม่สมบูรณ์พูนสุบูรอะไรหมดนี่นะเจ็บป่วยบ่อยๆเข้านี่ นี่มันแสนทุกข์ทนทรมานไม่ใช่หรือไอ้ผู้ที่ไม่มีกรรมเวรผนหลังตามมาสนองก็มีร่างกายสมบูรณ์อยู่ได้ช่วระยะหนึ่งแต่ไม่ใช่จะสมบูรณ์เรื่อยไปเราก็รู้กันอยู่นี้ไปไปเมื่อหมดบุญลงเมื่อใดแล้วมันก็สุดโทรมลงไปแตกดับลงไปอัตภาพร่างกายอันนี้เนี่ยพิจารณาให้เห็น ความจริงของมันอย่างนี้แล้วมันก็เบาใจได้เลยไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วใจนี่ก็มันรู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราอะไรนี่อจะไปโศกเศร้าเสียใจกับมันทําไมอะร่างกายอันนี้เมื่อใจมันไม่โศกเศร้าไม่อะไรในร่างกายอันนี้แล้วมันก็ไม่อะไรกับสมบัติภายนอก เหมือนกันเลยวันนี้นะมันสละได้เลยอืมันเป็นอย่างนั้นเองมันนะถ้ามันยังอะไรอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้แล้วมันก็อะไรคนอื่นด้วยหรืออะไรเข้าของเงินทองที่หามาได้นั้นด้วยอนี่แหละเครื่องผูกจิตไว้อยู่ในวัตาสงสารนะเพราะความเกลียดคร้าน ว่าไม่มัน่นไม่ขยันประกอบความเพียรทางใจไม่สำรวมใจไม่รักษาใจตัวเองอ้างแต่ว่าไม่มีเวลาอย่างนี้นะถ้าเป็นครือหัดแล้วก็ยิ่งยิ่งอ้างใหญ่เมาแต่ทำการทำงานไม่มีเวลาที่จะมาควบคุมจิตนี่ถ้าเป็นพระภิกษุสามนเณร อย่างนี้ก็มีแต่เมาเพลินกับอำนาจของกิเลสตัณหาเมื่อตนสร้างกิเลสตัณหาขึ้นในใจแล้วก็เพลินไปตามมันเลยไม่มีเวลาจะนั่งสมาธิภาวนาเลยวันนี้เป็นความจริงนะผู้ใดเป็นผู้มีจิตใจเพลิดเพลินไปตามกิเลสตัณหาส่งใจไปภายนออกเลยแล้วเห้ย อันจะให้มันพอใจนั่งสมาธิภาวนานี่ไม่มีขี้เกียจซ้ำห่อใจมันไม่สู้นี่มีแต่อยากจะเพลินออกไปข้างนอกอย่างเดียวแล้วเรื่องอะไรมันจะอยากมาสงบนิ่งนิ่งอยู่ภายในนี่ยบันนี้อันเป็นอย่างนั้นนะคิดดูให้ดีผู้ใดเป็นผู้มีบุญมีกุศลติดตามมาแต่ก่อน นี่แหละผู้นี้คนเหล่านี้แหละที่มันสนใจเรื่องความสงบกว่านี้นะเพราะว่าบุญนี่มันเป็นชื่อของความสงบเหมือนกันเย่ยผู้ใดมีบุญเป็นเครื่องอยู่ในใจแล้วใจของคนนั้นสงบนี้นั่นแหละแต่ถ้ามีบุญน้อยมันก็สงบไม่มากนั่นวันนี้ก็สเสวงหาความสงบเข้าไปแหละเมื่อ เมื่อมองเห็นว่าความสงบใจนี่มันเป็นความสุขที่แท้จริงเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ท้อถอยเลยมันก็พยายามแสวงหาความสุขอันเกิดจากความสงบเรื่อยไปไม่ยอมปล่อยจิตของตนในพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปเหมือนแต่ก่อนอย่างนั้นคนผู้มีบุญนะให้เข้าใจ คนบุญน้อยนี่หรือมีบาปหลายนี่ไม่ได้ต้องภาวนาไม่ได้หิดไม่ลงเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจริงว่าสังเกตเห็นได้ว่าผู้สนใจในการเจริญสมาธิภาวนาในมีน้อยเหลือเกินนะเทียบกับคนหมู่มากในประเทศแล้วแต่ถึงยังไงก็ตามน้อยกว่าช่าง อันเรื่องอันความสุขความสบายนี่ไม่มีใครหยิบยกออกมาให้ใครได้เลยทําแทนกันไม่ได้ความสุขทาง จ, จิตใจนี่นะต่างคนต่างต้องทำเอาเองนะทําใจของตัวนั่นสงบเองถึงจะได้พบกับความสุขถ้าตนไม่ทําเองแล้วจใจผู้อื่นช่วยทําให้ไม่ไม่มีทางนะเป็นไปไม่ได้ผิดกฎธรรมดาอันเนี้ย ดังนั้นนะ่ะผู้ใดต้องการความสุขที่แท้จริงแล้วอย่าประมาทให้พากันขยันหมั่นเพียร น, นั่งสมาธิภาวนาเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่เข้าไปเมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกบ่อยๆไม่ท้อไม่ถอยแล้วความคิดที่มันเคยพุ่งซ่านไปแต่ก่อนมันก็ค่อยสงบลงสงบลงแหละมันจะคิดพุ่งเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ เพราะว่าสติมันเคอยเข้าไปคุมจิตอนั้นอยู่นี่เพ่งลมหายใจเข้าออกก็หมายความว่าสร้างสตินั่นเองให้เกิดขึ้นมันเป็นงานเลี้ยงมันนะถ้าผู้ที่ไม่เพ่งลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ก็เท่ากับว่าไม่ได้สร้างสติสัมปชัญญะ ให้เกิดขึ้นในกายในจิตนี้ให้เข้าใจหมายความว่าสติไม่ได้อยู่กับกายกับจิตนี้ละลึกไปแต่ภายนอกนูน่นมันเป็นอยางไงดังนั้นกระโจงพากันสร้างสติสัมปชัญญะให้เกิดให้มีขึ้นในกายในจิตนี้ให้ได้ ก็นั่นแหละเมื่อเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาเข้าไปแล้วถ้าไม่สร้างสติสัมปชัญญะนี้ให้เกิดขึ้นในกายในจิตนี้จิตนี้ก็สงบไม่ได้เลยือ ม, มันจําเป็นนี่จำเป็นต้องสร้างสติความร ะ, ะลึกได้คือระลึกเข้ามาที่กายที่ใจสัมปชัญญะรู้ตัวรู้ว่ากายนั่งอยู่ตรงนี้รู้ว่าจิตตั้งอยู่ภายในนี่ นี่สัมปชัญญะมีหน้าที่รู้ตัวอย่างนี้นะรู้ว่าจิตไม่สงบก็รู้รู้ว่าจิตขณะนี้มันสงบอยู่ก็รู้น่นเป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะอันนี้นะอันนี้สตินี่มันเป็นความเป็นคุณธรรมเริ่มต้นระ ล, ะลึกถึงตนเบื้องตนน้นอย่างนี้นะสัมปชัญญะมีหน้าที่วินิจฉัยตัวเองแบบ น, นี้นะ วิเิชัยกายกายนี่เป็นอย่างไรอ่ะวิเนชั ย, ยใจใจเป็นอย่างไรอ่ะความจริงของจิตใจนี่เป็นอย่างไรเป็นหน้าที่ของสมปะชัญญะจะต้องวิจารเมื่อวิจารรู้ว่ากายนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของตนเลย ừ, เมื่อวิจารณ์ดูเห็นแจ้งประจักษ์อย่างนี้แล้วมันตัณหาความอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้มาบำรุงร่างกายอันนี้มันก็เบาลงนะก็เมื่อของไม่เที่ยงแล้วมันจะหาของดีๆอย่างไรมาบำรุงมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ừ, มันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วก็ทำให้ตัณหา ความอยากในประการต่างๆเหล่านั้นเบาวางลงไปเลยทีเดียวนะมันไปนอย่างนั้นเรื่องมันนะแต่ต้องพิจารณาให้จนเกิดอุกหานิมิตขึ้นนะไม่ใช่เดาเอาเพ่งจิตนี่สงบลงไปแล้วจิตสว่างขึ้นอย่างนี้มันก็มองเห็นอวัยวะร่างกายทุกส่วนภายในนี่ เห็นแจ้งขึ้นมาอย่างนี้นะถ้าเห็นว่ามันมันไม่สะอาดมันสกรปรกอย่างนี้นะมันโสโครกอย่างนี้มันก็เป็นภาพแห่งความโสโครกสกรปรกปรากฏขึ้นในดวงกิจนี้อ่อย่างนี้นะถ้ามันเป็นนึกถึงความแตกความดับอย่างนี้ภาพแห่งความที่ร่างกายแตกตลายออกกัน ก็ปรากฏในจิตนี่อย่างงี้นะปรากฏเห็นเป็นภาพที่ว่ามันจิตปัญญาละออกไปแล้วสามวันวเจ็ดวันสิบวันก็เน่าอเปลยออกไปผุพังไปแมลงวันก็มาไข่ใส่ก็เกิดเป็นหนอนยัวยี่ยยกันไปอยู่ในซากศพอันนั้นนะหรือไมะแสดงกับพวกสุนักพวกแรง้งพวกกา มายื้อแย่งกันจิกกินเนื้อหนังมังสาของคนตายนั้นไปในที่สุดก็เหลือแต่โครงกระดูกเท่านั้นเองนี่นี่นแหละเมื่อเราเพ่งดูอย่างนี้นะภาพของร่างกายอย่างว่าเนี่ยมันก็ปรากฏในใจนั้นนะเช่นนี้แล้วมันก็มองเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราจริงๆถ้าเป็นของเรามันก็บังคับได้สิ มันก็จะไปแตกหลับทำลายไปทำไมอะ่ะเมื่อมันเห็นแจ้งในร่างกายรูปกายนี่ตามเป็นจริงแนตะ่มันก็ทวนกระแสจิตเข้ามาดูนามธรรมวะนีน่นามธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจกับกายสัมผัสกันถูกต้องกันจึงได้เกิดเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมา เป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นามธรรมนี่อาศัยกายกับจิตถูกต้องกันจึงเกิดขึ้นมาได้อย่างนี้ขั้นเมื่อกายนี้มันวิบัติลงไปแปลพัวลงไปแล้วนามธรรมนี่มันก็วิบัติไปตามกันอมันเป็นอย่างนั้นถ้าต้องพิจารณาให้มันรู้เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ ท่านจึงกล่าวไว้ว่าเมื่อรูปแตกน้ำก็ดับเป็นอย่างนั้นเป็นความจริงเลยเนี่ยอย่างที่เราจะผู้ที่เคยไปดูคนป่วยหนักจวนจะตายเนี่ยก็จะรู้ได้รู้ได้ว่าเมื่อเวลารูปร่างกายอันนี้น่มันวิบัต ลงไปมากเข้ามากเข้าเช่นอย่างว่าลมที่เคยวิ่งผ่านไปตามแข่งตามขาตามอวัยวะน้อยใหญ่อย่างนี้ลมเหล่านะั้นมันก็ค่อยดับเขา้าดับเขา้าไอเลือดที่เคยวิ่งไปหล่อเลี้ยงร่างกายเส้นประสาทอะไรพวกนี้มันก็เมื่อไม่ลมไม่วิ่งแล้วเลือดก็วิ่งไม่ได้นั่นแหละเมื่อเมื่อเลือดลมมันค่อยหยุดมาหยุดมา คำดูร่างกายแต่เท้าขึ้นมานเย็นขึ้นมาถึงขาพี่แล้ววันนี้เลือดลมมันหยุดเข้าหยุดเข้าหยุดเข้ามาถึงบั้นเอวแต่ศีรษะก็เย็นลงมาแต่ศีรษะลงมาลงมามาเหลืออยู่แค่หน้าอกนี่ความอบอุ่นนะนอกนั้นเย็นหมดเพราะไฟธาตุมันดับมันดับมาโดยลําดับลมมันก็ค่อยหยุดเข้ามาอย่างที่ว่านั้นน่ เพราะว่าลมกับเลือดมันหยุดไหลเวียนที่หัวใจนี่แล้วความรู้สึกก็ดับไปเลยแล้วความอบอุ่นของร่างกายนี่ก็หายไปคำดูร่างกายนี่เย็นเชียบแล้วก็เป็นอันว่าสิ้นสุดกันลงชีวิตของคนหนึ่ง เนี่ยที่ว่ารูปแตกแล้วนามก็ดับตั้งอยู่ไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้นะความเป็นอยู่ของชีวิตนี่นะเรานั่งภาวนาก็เพ่งดูอย่างนี้นะพิจารณาดูความจริงนี่บางคนก็ว่าโอ้คนตนยังหนุ่มยังน้อยยังชอบสนุกสนานอยู่ถ้าจะมาพิจารณาร่างกายอย่างที่ว่านี่นะ มันก็จะไม่มีความสนุกสนา น, นก็หายไปรสชาติแห่งความสนุกนก็หายไปอันนั้นแสดงว่าผู้นั้นติดอยู่ในความสุขชั่วคราวติดอยู่ในความสนุกชั่วคราวให้เข้าใจมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะความสนุกสุขสนาน ทั่วข่าวอย่างว่านั้นเช่นการอาร้องลําทําเพลงดิดสีตีเป่าต่างๆหมนี้นะแล้วเพ่งดูด้วยปัญญานล้วมีประโยชน์อะไรอะ่ะอามันสนุกอสนุกก็ชั่วค่าวี่พอหยุดร้องหยุดลําแล้วมันก็แล้วไปนะความสนุกนั่นก็หายไปอย่างนี้นะแหละแล้ววันนี้เมื่อเวลาโลกภัยไข้เจ็บ เกิดขึ้นในกายนี่บีบคันเอาร่างกายนี่ที่เคยแข็งแรงมาแต่ก่อนเต้นสามสอกออกสามวานไม่ไหวแล้วมีแต่อยู่กับที่แล้ววันนี้กระตูพี่น า, นานาลงไปอย่างนี้แหละอย่าไปถือว่าจะจนหนุ่มอยู่ล่ำไปมันจะหนุ่มไปได้อยู่สักกี่ปีกี่เดือนหนอเ น, นี่ยมันก็สุดโทรมไปเรื่อยแต่ร่างกายอันนี้นะ มันไม่ไม่ใช่ว่ามันจะกระซุ่มกระซวยอย่างนี้เลื่อยไปหรอกก็เพ่งพิจารณาดูความจริงมันมีอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ว่าจิตของคนเรานี่หากไม่เพ่งดูเท่านั้นแหละเพราะมันตกเป็นทาตของตัณหามันมีแต่คิดส่งอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ออกไปภายนอกโน่มอยู่อย่างนั้นนะแล้วมันจะรู้ได้ยังไงแล้วมันไม่ยอมดูนี่ มันไม่ยอมเพ่งดูของจริง่งมีอยู่ในร่างกายอันนี้ถ้าผูใ้ใดมาฝึกจิตนี่ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในตรงไปแล้วนึกเพ่งดูเนี่ยมันก็เห็นชัดเลยแบบนี้นนนเห็นความจริงของร่างกายนี่อย่างว่ามาแล้วนั่ น, นแ่ละถ้ามันเห็นด้วยปัญญาด้วยความเพ่งอย่างนี้นะมันก็ เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นเท่านั้นเองเนี่ย เ, ออเราเนี่ยมันมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงด้วยมาอาศัยอยู่ของสกรปกสกรกโสโครกด้วยไม่ใช่ว่าได้มาอาศัยอยู่สถานที่ดีๆสถานที่สะอาดหมดจดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แล้วออมาอาศัยอยู่สถานที่สกรปรก มัวหมองจริงๆนี่นี่แหละนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงได้เบื่อหน่ายต่ออัตภาพร่างกายอันนี้เพราะว่ามันไม่ใช่มีอะไรสวยงามที่น่าผูกพันเลยขับเพ่งอยูด่ด้วยปัญญาจริงๆเข้าไปแล้วนอกจากไม่เที่ยงนอกจากไม่สวยไม่งามแล้วมันยังเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบาก วันไววไปมากระทบกระทั่งกับดวงจิตนี่บ่อยๆเลยอันธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมาเนี่ยฉหนั้นคำว่าทุกทุกในทีน่นี้ก็หมายเอาร่างกายสังขารที่มันวันไหวไปมานี่นะหมายเอารดวงจิตที่มันไม่รู้เท่าทุกไม่รู้เท่าร่างกายอันนี้แล้วมันก็วันไหวไปตามร่างกายอันนี้เนี่ยคำว่าทุกทกายทุกใจนะ คอยพิจารณากันให้มันเข้าใจบั น, นี้เรามาแย่กันบันทีผู้เจริญวิปัสนาเราแย่กันให้มันปรากฏอยู่แต่ทุกกายซะทุกข์ใจอย่าให้มันมีทําอย่างไรมันถึงจะไม่มีทํำยังไงเมื่อร่างกายมันวิบัติลงก็กําหนดใจตั้งมั่นลงไปแล้วก็เพ่งดูสิ มันเจ็บตรงไหนก็เพ่งดูตรงนั้นเอาจนให้มันเห็นว่าไม่ไม่มีคนเจ็บไม่มีเราเจ็บเขาเจ็บมันเป็นแต่เพียงความรู้สึกทางวิญญาณต่างหากคือวิญญาณทางกายนั่นเนี่ยแต่วิญญาณทางกายมันก็ส่งมาถึงจิตบันนี้จิตก็ปฏิเสธไม่ยอมยึดถือเอามาเป็นตัวตนบันนี้มไม่ใช่เราทุก ไม่ใช่เราเจ็บนี่ปฏิเสธไปเลยเราไม่มีอยู่ในแข้งในขานั้นเราไม่มีอยู่ในหัวเข่าเราเขาไม่มีอยู่ในอวัยวะร่างกายทุกส่วนเหล่านี้เลยเราปฏิเสธกันลงไปอย่างนี้แล้วจิตมันเห็นแจ้งชัดลงอย่งนมันก็ปลงลงได้วางลงไม่เสียใจไม่ดีใจไม่วันไว้ไปตาม ความแปรปรวนของร่างกายนั้น <c oughs> อย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นจะทุกข์กายแบบนี้นะใจไม่ทุกข์แบบนี้เพราะมันรู้เท่ามันปรงลงนี่ไม่ถือว่าเป็นของเราแล้วมันจะทุกข์ยังไงแล้วเหมือนอย่างบุคคลตะก่อนในแบกหรือว่าหาบของหนกันกๆอยู่บนบ่าเนี่ยเมื่อยังไม่ถึงที่หมายปลายทาง มันก็หนักน่วงอยู่อย่างนั้นแหละพอไปถึงที่หมายแล้วงลงลงแบบนี้มันก็เบาบ่าไปเลยฮะไม่หนักไม่น่นนวงเหมือนแต่กก่อนแล้วอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยเมื่อเราฝึกขัดลงมันลงวางมันลงวางสังขารร่างกายอันนี้นะลงไว้ตามสภาพมันอย่างนี้ ถ้าวางได้จริงใจมันก็เบาปลอดโปร่งเลยวันนี้ไม่หนักไม่นวงไม่อึดอัดแล้วไม่คุ้งซ่านแล้ววันนะี้นั่นแหละนดี๋ยวพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสเป็นพาสิตไว้ว่าภาระเวปัญจขันธาคันทั้งห้าเป็นภาระอันหนักภาระาาโลจะปุกโล แต่บุคคลก็ยังยึดถือภาระอันนั้นไว้ภาราดานังดุขขังโลกเกความยึดถือภาระเหล่านั้นไว้เป็นทุกข์ภารานิเขปนังสุขขัางการปล่อยวางภาระเสียได้เป็นความสุขนิขิปิตวาครุงพรัง รั้นปล่อยวางภาระอย่างหนักได้แล้วอัญญภารังอนาดิยะไม่ยึดถือภาระอย่างอื่นไว้สมูรังตันหั่งอบุยหักเป็นผู้รื้อถอนตันหากับมูลรากได้แล้วนิจชาตโตปรรณิบุตโตติเป็นผู้หมดอยากดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้แล นี่สรุปลงเรียกว่าเป็นผู้หมดอยากเมื่อหมดอยากแล้วมันก็ดับเพลิงทุกข์และเพลิงกิเลสต่างๆได้เลยทุกทางใจน ะ, ะกิเลสอันมาลกกวนใจก็ไม่มีแบบนี้ดังนั้นใจจึงไม่เป็นทุกข์เพราะมันไม่อยากได้อะไรอ่แล้วมันก็ไม่อยากให้ร่างกายนี่ อยู่ยั่งยืนนานตลอดไปแล้วก็ไม่อยากให้จะคิดว่าอยากให้ร่างกายนี้มันแตกไปเร็วๆดับไปเร็วก็ไม่อยากจะอยากให้ร่างกายนี้มันอยู่ยั่งยืนตลอดไปก็ไม่อยากเมื่อมันไม่อยากเกี่ยวข้องกับร่างกายอย่างว่านี่แล้วมันก็ใายอยากได้เงินทองเข้าของลาบยศสรรเสริญอะไรต่ออะไรในโลกนี้มดเลยอ่ ฮอมันเป็นอย่างนั้นเรืองมันนะดังนั้นนีลยอย่าพากันไปสะสมความอยากขึ้นในใจให้มากมายนักแม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันเนี่ยเป็นนักบวชเรายิ่งยิ่งต้องการคลายความอยากออกจากจิตใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หรือว่าให้มันหมดสิ้นไปได้น่ะนับดีมากเลย นั่นแหละที่เป็นคเรหัดนั้นหากว่าไม่สามารถจะคลายความอยากอันละเอียดสุขุมออกได้ก็ขอให้คลายความอยากอันส่วนหยาบนี้ออกไปให้มันได้ดังที่เคยแสดงมาแล้วหลายครั้งนั่นนะว่าความอยากอันอย่างหยาบนี่อยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์อยากประพฤติผิดในกามอยากกล่าวมุสาว่า อยากดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนความอยากดังกล่าวมานี้มันประกอบไปด้วยบาปด้วยโทษด้วยทุกขพระศาสดาจึงได้ทรงสั่งสอนให้เว้นความอยากอันนี้มันจะนำไปสู่ทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนากเป็นตน้นดังแสดงมา